เมื่อวานหลวงพ่อไปที่อุดอรงานศพโอ้งานศพ น, นี่ก็เป็นงานที่น่าคิดทีเดียวเป็นงานที่บงทาสังเวชโสดสังเวช ท, ทางใจก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์โยมก็มาใส่บาตรอยู่ด้ยใส่บาตรวัดนาคําน้อยของเราพร้อมลูกหลานก็มาบ่อยน า, นาน ก็จะว่าบ่อยน้งะปีหนึ่งหลายครั้งเหมนนเถอะทำบุญวัดต่างๆสายครูบาอาจารย์เน่แถบมาแถบนี้ก็มีที่นี่วัดบ้านเพิ่มแล้วก็วัดภูก้อนแล้วก็แถวนี้นะใส่บาตรทำบุญทำทานพอมาวัดนี้แก็ไปวัดนั้นวัดนั้นวัดนั้นแล้วค่อยกลับแต่เมื่อวันที่27ที่ผ่านมานี่ ตอนเช้าออกไปซื้อของเหมือนกันนะไปซื้อของมาไหว่ยงคือผลไม้มาไหว้พอออกจากหน้าบ้านไปหน่อยเดียวตรงข้ามนะมันมีร้านขายผลไม้รถปิกอัพชนปั้งเลยเหมือนชนเข้าไปอยู่ในท้องรถเลยเดย้รถก็โคตรเลยเหมือนกันเด้ขาหักแขนหักสองข้างแปล ว, ว่าเนื้อเนี่ยหมดไปเกือบแถบแขนเลยเหมือนกะันเ คนได้ไปหามออกหามรถออกยกรถะก่อนยังค่อยค่อยเอาคนออกมาอายุก็เกือบจะเจ็ดสิบแล้วผู้เฒ่า ผ, ผู้หญิงนะก็เลยรถชนปังเลยไปเห็นโอ้ปวกหลูกหล้านเลยพูดอะไรไม่ออกเลยงงแตกเลยว่างั้นไม่รู้จะทำยังไงไปเมื่อวานลงพ่อก็เลยไปบอกเออนี่แหละชีวิตของคนเราเนี่ย เกิดแก่เจ็บตายจะทำยังไงพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีบุญก่อนที่ท่านจะเกิดท่านก็บอกจะเกิดที่ไหนท่านก็ลงไปเกิดถ้าท่านจะตายท่านจะปรินิพานท่านก็บอกเออเราจะไปปรินิพานอยู่ที่เมืองกุชินาลายกับมันลักษัตรย์ประเทศเล็กอยู่ในสวนอุทยาน ท่านก็เดินไปจนถึงตอนหัวค่ำจะไปนอนพอนอนเสร็จตอนใกล้สว่างท่านก็นิพพานท่านเลือกที่ที่ท่านปรินิพานได้จากนั้นภาษาลิบุตรท่านก็จะไปโปรดโยมารดาของท่านก่อนที่ท่านจะดับขันท่านจะมีพานภาษาริบุตรอครสาวกท่านก็ไปปินิพานอยู่ที่ห้องห้องเกิดของท่านเหมืั้นห้องประสูตยของท่าน ที่ห้องเกิดของท่านแม่คลอดในห้องนั้นท่านก็ไปตายในห้องนั้นท่านก็โปรดโย ม, มารดาของท่านจนได้สาเร็จเป็นพระโสดาบันที่ท่านไปนิพพานที่นั่นเพราะต้องการโปรดโย ม, มารดาของท่านภาษาลิบุตรพระอานนท์ในตําราเขาบอกว่าอายุท่านยืนถึง120ปีที่เป็นพุทธอุธปถาคพระพุทธทเจ้าก่อนที่ท่านจะ นิพานทั้งก็มีญาติสองฝ่ายเมืองวิเทหะกับเมืองสักกะต้องการใครๆก็อยากจะเป็นเจ้าของเป็นผู้จัดงานศพพระอนุนพระอนุ์รู้แล้วว่าท่านามรณะภาพลงไปหรือว่าท่านนิพานลงไปในข้างใดข้างหนึ่งญาติต้องแย่งกันแน่แน่ต้องเกิดศึกกันว่างั้นเถอะไม่ใช่ธรรมดาทีนี้พระอนนก่เมื่อท่าน ถึงขาวกำหนดท่านนีพพานท่านก็อธิษฐานให้ร่างกายของท่านแตกเป็น2ภาคภาคหนึ่งตกไปทางวิเทหะราชทางหนึ่งตกมาทางกระบินลพัดให้จัดงานศพได้ทั้งสองข้า ง, ะะงั้นท่านท่านแบ่งเองด้วยลิฐานุภาพของท่านอันนี้ก็คือท่านพูดไว้ในพระไตรปิฎกว่างั้นเถอะท่านพูดไว้อย่างนั้นเราก็พูดตามตามอย่างนั้นแต่เรื่องเท็จจริงยังไง เราก็มันได้เกิดในยุคนั้นบา ง, งั้นเถอะเราก็ต้องเชื่อในพุทธานุภาพอิทธิฤทธิ์ของพระมหาเทระท่านหนึ่งที่ท่านแสดงฤทธิ์อันนี้ก็คือพระอา น, นุ์ส่วนพระโมกคาลาเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าข้างซ้ายว่า ง, งั้นเถอะเป็นพระมหาเทระผู้ใหญ่ตายเพราะโจรฆ่า อ, อ, อันนี้ผิดปกติธรรมดา ตามมีจริงพระโมกขารหองเหินเดินฟ้าได้ดำดินบินบนได้แสดงอิทธิฤทธิ์ได้ทั้งหมดทุกอย่างแต่นี้กรรมไม่พ้นเพราะพุทธเจ้าถึงจะไปที่ไหนหองเหินเดินฟ้าไปที่ไหนก็ไปแต่แต่นี้กรรมไม่พ้นกรรมคือการกระทําไว้ในอดีตทํากรรมชั่วไปแล้วจะหนีไปที่ไหนไปไม่พ้นกรรมนั้นจงต้องตามถนนในลูกประขันอันนี้อันนี้นนพระโมกขาราทัาน ฆ่าพ่อข่าแม่ท่านในอดีตชาติผูกข่ามาแล้วถึงร้อยชาติแล้วอันนี้แต่มาชาตินี้ก็เป็นชาติที่ท่านจะเข้าสู่ น, นิพพานท่านก็ต้องรับกรรมอีกแต่นี้พอรับกรรมเสร็จแล้วคราวนี้พระโมคลาท่านก่อนเข้าสู่นิพพานไปเลวไม่มาเกิดอีกแล้วเป็นโอโหสิกรรมกรรมให้ผลสําเร็จแปลว่าหมดพอเข้าสู่นิพพานแล้วหมดกรรมตามไม่ถึงบ่านี่เหมือนกับกรรมเหมือนกับหมาพรานอย่างนั้น ถ้าอยู่ในโลกในไล่กัดหมดมันอยู่ในมุมไหนว่างั้น دة. แต่พอออกนอกโลกไปแล้วบาตรนี่กรรมตามไม่เห็นแล้วบาตรนี่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาอผัวนิสุดหมาพานก็เลยตายเพราะมันวิ่งหายตัวที่จะกัดไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันแนะกลมของพระโมกคาลาก็ท่านเข้าสู่นิพพานซะความบริสุทธิ์หลุดพ้นไปซะกรรมพระโมกคาลาก็วิ่งไปวิ่งมาในโลกหาพระโมกคาลาไม่เจออเอาไปมาก็เลย กรรมนันก็เลยตายเป็นโอโหสิกรรมไปจบประงานัเถอะนี่แหละอานนี้คือเลือกตายไม่ได้เพราะเหตุไรก็เพราะพระโมคคัลลาทำกรรมไว้ในอดีตเพราะนั้นคุณยายของเราเนี่ยก็คงจะมีเวณมีกรรมกันมาัออคงจะมีเวณมีกรรมกันผู้ที่ทํำก็ไม่ได้เจตนาคงจะไม่มีเจตนาเนาะคงจะมีอะไรบางอย่างอาจจะหลับหรืออาจจะมีอะไรอให้ ดูดูกันแหละวะนี่แหละการเกิดการตายของสรรพสัตว์ทั้งหลายข้อสําคัญในขณะที่ตายนะเนี่ยจิตใจจะคิดไปในทางไหนนะ่ยฉะนั้นนะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่มานั่งอยู่นี่โดยกันทั้งหมดทั้งฝ่ายพระทั้งฝ่ายครวัตญาตโยมทุกคนนะนะ่ะต้องสํานึกสําเนียกเอาไว้เสมอนะ่ยในชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเลยเหมือนกับ น้ำค้างอยู่ใบบัวพระพุทธเจ้าว่างั้นนะน้ำใบบัว น, น้ำมันขึ้นประโยชน์บนใบบัวมันกลิ่งไปกลิ่งมากลิ่งไปกลิ่งมาเนะี่ยวันดีคืนดีถ้าลมพัดเอียงหน่อยหนึ่งก็ตกจมลงน้ําเอีอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตของเราเนะี่ยมันค้างอยู่ในใบบัวอย่างนั้นนะ่ะเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอยากประมาทสร้างคุณงามความดีคือคอสําคัญถ้าตายไปแล้วมันศูนย์ก็ไม่เป็นไรถ้าตายไปแล้วเกิดน่นสิเอียสิ่งที่มันเกิดพระพุทธเจ้าบอกว่า ตายแล้วไม่ศูนย์นตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนสิ่งที่พาให้เกิดก็คือวิญญาณใจนั่นคือร่างกายเนี่ยเป็นรูปประธรรมมันตายไปแล้วก็เหมือนกระท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วแต่สิ่งที่รู้สึกนั่นะตัวที่รู้สึกตัวที่นึกคิดตัวที่พูดได้ตัวพยายามสั่งกายให้พูดได้นะเป็นเจ้านายของร่างกายเรียกว่าใจใจก็ได้มโนก็ได้ผู้รู้ก็ได้ตัวนั้น่ะ มันมันอยู่ให้เข้าเป็นคนขับรถคือเป็นคนขับร่างกายของเรานี่บังคับให้กดแตรอ่างนั้นแต่กดแตรคือคือเดี๋ยวพูดเนี่ยกดแตรคือพูดรถพูดอย่างนั้นแต่เลี่ยงทางอย่างนั้นะออันนี้ก็หลุงพ่อกําลังพูดเนี่ยคือใจสั่งให้พูดอย่างั้นแต่ใจสั่งให้ปากพูดอ่างนั้นถ้าแกตายมันสั่งไปแลมันก็ไม่พูดได้กดเท่าไรมันก็ไม่ออกอย่างั้นแต่กดแตรเท่าไรมันก็ไม่ออกเพราะแกมันตายอันนี้ก็เหมือนกันถ้าลูกก็เดือก่มันปิดหลอดลมซะหนึ่ง ถึงจะสั่งมั้ก็พูดไม่ได้เอ่ออันนี้คือคือใจเป็นหัวหน้าใจเป็นใหญ่ใจบังคับร่างกายใจเป็นคนเออคนเป็นคนเป็นคนขับรถแบบนั้นแหลเปรียบเทียบเหมือนกับคนขับรถนะใจแต่พอร่างกายมันแตกนะเออพอร่างกายมันไม่ไหวแล้วใจเขาออกจากร่างเหมือนกับรถนะถ้ารถมันพังแล้วคนขับรถขับไม่ได้แล้วก็ต้องหนีจากรถนะ่ะอ่า ไปหารถคันใหม่อีกต่อไปนั่นแหละมันไม่ศูนอคนที่มีเงินทธ น, นี่อคนที่หาเงินขับรถไปแล้วหาเงินได้เงินได้ทองถ้ารถคันนี้เสียไปซื้อคันใหม่อีกถ้ามีเงินนะได้คันสวยกว่าเก่าอีกเบนเบนเสียแตไม่ต้องการถ้าต้องการสวยเอาสวยกว่าเก่าอีกก็ได้เทําอะไรก็ได้เพราะมีเงินนแต่ถ้าไม่มีเงินพอรถคันนี้เสียแมดท่าแล้วงั้นเธอจะซื้อจักรยานก็ซื้อไม่ได้ เพราะไม่มีเงินผลที่สุดเดินเดินก็ไม่มีรองเท้าไปต่างหา ก, กเางั้นแต่เนี่ยแหละอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าคนมีบุญถ้าออกจากร่างนี้ไปแล้วจะไปเกิดภพภูมิไหนก็ไปได้ไปตามอัธยาสัยอย่างพระพุทธเจ้าออกจากร่างปุ๊บท่านเข้าสู่นิพพานเลยพระโมคคัลลาปุ๊บเข้าสู่นิพพานแต่นอกจากนั้นก็ทางว่าผู้มีบุญธรรมดาก็ปุ๊บก็ไปสู่สวรรค์ ทางว่าผู้ไม่มีบุญขาดทุนระบาดตายปุ๊บอาจจะเป็นวิญญาณอาจจะตกนรกเพราะทํากรรมไม่ดีไว้อย่างพระเทวทัตอย่างนี้นะทำร้ายพระพุทธเจา้าพอตายปุ๊บพระเทวทัตก็ต้องลงอเวจีมหานรกเพราะทํากรรมชั่ว เ, เลือกใครทํากรรมไม่ดีข่า่อข่ามเมฆข้าสมณะชีพรามข่าคู่ข่าคนกิตใจหยาบช้าพอตายไปแล้วก็ตกนรก โมกไม่นรกก็มีหลายขั้นเล้เหมือนกับคุกของเราเนี่ยนะ่ะโทษประหารก็มีโทษจำคุกตลอดชีวิตก็มี50สิปีก็มีสี่ิปี30ปีสิปีสามสี เ, 3, เดือนหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มี เ, เหมือนกันน่นโทษหนักโทษเบาบาปกรรมก็เช่นเดียวกันนั่นแหละใครทํากรรมไม่ดีไว้เกิดได้รับโทษบาปกรรมตามนั้น เ, เวลาไปเกิดก็ไปเกิดเป็นสัตว์ทีทาา่ไรฉันจ้างหมาบวัวควายมูส์หมาเป็ดไก่ อันนี้ก็คือวิญญาณนะแต่วข้อสําคัญพวกเรานี่ยถ้าไม่ได้ฝึกเอาไว้ไม่ได้คิดเอาไว้นะเวลาใจจะตายนะนะในขณะนั้นน่ะถ้าคนไม่ได้ฝึกเอาไว้นะมันจะทุรนทุรายได้บ้างเนี่ยคิดถึงนู้นคิดถึงนู้คิดถึงลูกคิดถึงหลานคิดถึงหมูหมากาไก่ไงนี่ยมันคิดลอยไปเลยแต่คิดไปอย่างนั้นไปคิดคิดถึงหมาไปเกิดเป็นหมาได้บ้างเนี่ยคิดถึงควายไปเกิดเป็นควายคิดถึงเงินไปเกิดเป็นโตเลนเฝ้าเงินเนี่ย จะคิดถึงอะไรถ้าว่าเราเคยฝึกไว้แล้วคิดถึงพุทธโทธธรรมโอสังโฆเออบุญกุศลกุ้าได้สร้างบุญสร้างกุศลได้ใส่บาตรได้ทําบุญได้ไหว้พระสวดมนต์ได้นั่งภาวนาบุญกุศลมาช่วยข้าพระเจ้าเด้อข้าวนี่เหมืนนึกถึงบุญกุศลบุญกุศลก็จะวิ่งพุทมารับดวงวิญญาณ น, นั้นก็ไปเกิดในภพภูมิไหนก็ได้ทีนี้เพราะว่าใจมีกุศลได้ ขณะที่ใจจะขาดนะถ้าว่าใจจะขาดนึกโมโหโทโศโกรธแข็งพยาบาทอาฆาตพอตายไปแล้วพวกนั้นไปเกิดเป็นหมาไปเกิดเป็นงูไปเกิดเป็นเสือไปเกิดเป็นสัตว์ตวที่ดุร้ายอย่างนั้นคนที่โมโหโทโสนะตายไปแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ประเภทนั้นถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์กันหน้าตาไม่เสร็จสวยงดงามนั่นไปเออเหมือนกับหน้ายักษ์วัดชิมวาตอย่างนั้นะ ใครคงจะเห็นมันแยคือตาบองหน้าเป็นอย่างนั้นคนที่โกรธโกรธแล้วมีอารมณ์โมโหโธโศตตายไปเกิดพบหน้าชาติหน้ า, นาตาไม่เสร็จสวยงดงามเพราะพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้อย่างงั้นนะเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่าตายแล้วสูญ น, นะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสร้างเอาไว้อย่าประมาทอยากจะรู้จักว่าตัวเองตายแล้วเกิดตาเลสูในนั่งภาวนา ม่ถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้านะหลักของท่านก็มีอยู่เด้ผสมอย่างนี้มันจะเป็นออกเคมีอย่างงั้นผสมอย่างนั้นออกเคมีอย่างนี้นักเคมีเขายังผสมเคมีได้ใช่ไหมถ้าผสมตัวนั้นเข้าไปมันจะมีพลังอย่างนั้นประสมตัวนี้มันมีพลังอย่างนี้อันนั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์อันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเวลาอยากจะรู้ว่าตายแล้วกเกิดหรือ ต, ตายหรือศูนย์ต้องทําอย่างนี้นี่ยต้องปฏิบัติอย่างที่พระพุทธเจ้าทํำดูซิถ้าทําแล้ว รู้ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่ไปอย่างที่เราคิดเออานะั้นอย่าค่อยอประมาทนะอันนี้เรายังไม่ได้คิดเลยว่าตายแล้วศูนย์พระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าพิธีทําทําอย่างนี้จึงจะรู้ได้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์หนักพิสูจน์เป็นอย่างนี้อนั่งภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วร่างกายจะเป็นส่วนหนึ่งจิตใจนะ่าจะเป็นส่วนหนึ่งจะรู้รู้ชัดโดยตนเองอ พอรู้ชาดดติโดยตนเองแล้วจะรู้ได้ว่าเออร่างกายเนี่ตายแน่แต่จิตใจเออไม่ตายเนีเพราะมันอาศัยร่างกายอยู่เห็นชัดด้วยตนเองเนี่ยอันนี้ก็คือหลักพิสูจน์ในหลักของพุทธศาสนานะเพราะนั้นพวกเราเนี่ยให้เชื่อพระพุทธเจ้าให้เชื่อคู่บ่ายจารไวนะ้เถอะนะจะเป็นผู้ไม่หลงทางถ้าตายไปแล้วจะไม่พลาดท่าเซธีถ้าปฏิเสธไปแล้วตายแล้ ว, ลวสูนเหมือนกับคนตาบอดเนเอยคนตาบอดทํายังไงเอ๊ะตาย ในโลกนี้ไม่มีอะไรแล้วลาบเตียนไปหมดนั่นแ่ะ <S <S เดินไปก็ตกเหวตกบอ่อเหยียบน้ำ อ, ออะไรตึงเยอะแยะไปเลยถ้าคนเชื่อคนตาดีออคนตาดีก็บอกเออทรงนั้นจะไปเนอะมามานี่คนตาดีจูงไปไปตามคนตาดีอืมนั่นแหะพวกเราจะมีความสุขมีความเย็นใจต่อไปนะเอารับพรมาเลยอนุโมท น, นาให้พร สัพพะโรข้าวินิมุตโนสัพสันตา